ในช่วงเทศกาลสงการานต์วันขึ้นปีใหม่ของประเพณีไทยคนไทยเราจึงนิยมที่จะมาวัดเพื่อมาทำบุญตามความศรัทธาความเชื่อในพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าพระบรมศาสดา ผู้มีปัญญาอันเลิศผู้ที่สามารถมองเห็นเรื่องของบาปของบุญของผลของบาปของบุญได้อย่างชัดเจนไม่มีข้อลังเลสงสัยแต่อย่งใดว่าบาปมีจริงหรือไม่บุญมีจริงหรือไม่นรกคือผลที่เกิดจากการทำบาป มีจริงหรือไม่บุญสวรรค์ที่เกิดจากการทำบุญมีจริงหรือไม่ความจริงเหล่านี้พระพุทธเจ้าทรงตัดสรู้เห็นด้วยพระองค์เองแล้วก็นำเอามาเผยแผ่สั่งสอนให้แก่พวกเราทั้งหลายผู้ที่ยังมีความลังเลสงสัยในเรื่องบาปบุญ นโรกสวรรค์ให้หายสงสัยและให้เชื่อและปฏิบัติตามเพื่อประโยชน์สุขและความสิ้นสุดของความทุกข์ที่จะเป็นผลตามมาต่อไปมีผู้ที่มีศรัทธาความเชื่อในพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าและได้ปฏิบัติตาม ยนปรากฏมีดวงตาเห็นธรรมดำที่พระพุทธเจ้าทรงรู้ทรงเห็นได้รับความสุขที่สูงสุดได้รับการสิ้นสุดแห่งการเวียนว่ายตายเกิดได้รับการสิ้นสุด ข, ของความทุกข์ทั้งหลายกลายเป็นพระอริยสงสาวุเป็นผู้ที่รับรอง ยืนยันว่าพระธรรมคาสอนของพระพุทธเจ้านี้เป็นสวากขาโตพระกวตาธรรมโมเป็นธรรมที่ตัดไว้ชอบแล้วเป็นไปตามความจริงทุกประการผู้ที่มีศรัทธาแล้วปฏิบัติตามก็จะได้รับประโยชน์ดังที่พระองค์ได้ทรงแสดงไว้อย่างแน่นอน นี่คือพระ อ, อริยสงสาวกทั้งหลายท่านไม่มีองค์ใดที่ออกมาปฏิเสธมาคัดค้านว่านารกไม่มีสวรรค์ไม่มีทำบาปทำบุญแล้วไม่ได้รับผลอย่างนี้ไม่มีแม้แต่รูปเดียวถึงทั้งทั้งที่มีพระสาวกเป็นจำนวนหมืน่นเป็นจำนวนแสนด้วยกันแต่ทุกๆองค์ก็จะพูดอย่างเดียวกันว่า จัดไว้ชอบแล้วสว่าขาโตพกวตาธรรมงพวกเราจึงไม่ควรที่จะลังเลสงสัยขอให้พวกเราเชื่อและทำตามเธอส่วนเรื่องนรกเรื่องสวรรค์นีว่าอยู่ที่ไหนพวกเราอาจจะได้รับข้อมูลที่คาดเคลื่อนมาจึงทาให้เร า, เาหลงทางได้เราต้อง เข้าใจว่านรกและสวรรค์นี้พระพุทธเจ้าแสดงไว้ว่าอยู่ภายในใจของสัตว์โลกทั้งหลายไม่ได้อยู่ภายนอกใจเช่นสวรรค์ไม่ได้อยู่บนฟ้าและนรกไม่ได้อยู่ใต้นินนี่ไม่ใช่เป็นสถานที่อยู่ของนรกและสวรรค์ส่วนภาพต่างๆที่เขาวาดให้เราดูเช่นมี ไฟมีกระทะทองแดงมีอะไรต่างๆนักวาดกลัวสิ่งเหล่านี้เป็นเพียงภาพประกอบหรือภาพที่จะใช้แสดงสาธิตให้เปรียบเทียบให้เห็นถึงความทุกข์ความรุ่มร้อนใจที่เกิดขึ้นเวลาที่เราทำบาปทำกรรมนั่นเองแล้วหลังจากที่เราตายไปแล้ว บาปกรรมนี้ก็จะส่งผลให้ใจของเรานี้เป็นนรกเป็นไฟรุ่มร้อนขึ้นมาไปจนกว่าเชื้อของบาปที่ได้ทำไว้นั้นหมดไปใจถึงจะกลับเย็นมากลับมาเย็นได้อีกพอกลับมาเย็นก็ได้กลับมาเกิดเป็นมนุษย์ใหม่อีกในทางตรงกันข้ามสวรรค์ก็ไม่ได้เป็นที่อยู่บนท้องฟ้า ที่มีนางฟ้าเทวดาติดปีกบินกันไปบินกันมาสวรรค์ก็คือความสุขใจเวลาที่เราได้ทำความดีอย่างวันนี้เรามาทำบุญทำความดีใจของเราก็มีความสุขมีความเย็นมีความสบายนี่คือสวรรค์สวรรค์อยู่ในอกนรกอยู่ในใจไม่ได้อยู่ที่ไหน อยู่ที่การกระทาของเราทางกายวาจาและทางใจถ้าคิดดีพูดดีทำดีใจก็เป็นสวรรค์ถ้าคิดไม่ดีพูดไม่ดีทำไม่ดีใจก็เป็นนรกลองสังเกตดูที่ใจของเราวันไหนใจของเรามีความว้าวุ่นขุ่นมัวมีความรุ่มร้อนแสดงว่าใจเราคิดไม่ดี ถึงแม้ยังไม่ได้พูดไม่ได้ทำอะไรก็ตามแต่นรกนั้นเกิดขึ้นภายในใจของเราแล้ ว, ล ว, ลวก็คือความทุกข์นั่นเองเพราะใจของเราคิดไม่ดีเช่นคิดร้ายคิดอาฆาตพยาบาทคิดปองร้ายผู้อื่นปรารถนาให้ผู้อื่นนั้นมีความทุกข์ยากลาบากเดือดร้อนหรือถึงกับเสียชีวิตไป พอคิดอย่างนี้แล้วใจของเราก็จะเกิดความรุ่มร้อนขึ้นมาเป็นนรกแล้วและถ้าไม่รีบนั ง, งับดับความคิดเหล่านี้ก็จะเพิ่มไฟนรกให้มากขึ้นถ้าไปพูดและไปทำตามความโกรธทำอาฆาตพยาบาทใจก็จะร้อนเวลาที่ได้ไปฆ่าผู้อื่นแล้วทีนี้ใจก็อยู่ไม่เป็นสุขแล้ว ต้องคอยหวาดภวาหวาดวิตกกังวลกับผลลัพธ์ที่จะตามมาต่อไปทั้งในปัจจุบันคือจะต้องถูกเจ้าหน้าที่ตำรวจตามจับตัวหรือถูกคนที่เขาถูกกระทาหรือญาติพี่น้องของเขาตามมาล้างแค้นตามมาฆ่าเราเราก็จะอยู่อย่าง ทุกทรมานใจบางคนทนไม่ได้ต้องไปมอบตัวให้กับเจ้าหน้าที่ตำรวจเพราะว่ามันเป็นความทุกทรมานใจจนไม่สามารถอยู่อย่างเป็นปกติสุขได้ยอมติดคุกยอมรับใช้โทษใช้กรรมดีกว่าติดคุกถึงแม้จะติดคุกแต่ใจก็ยังสงบได้ใจก็ยังมีความสุขได้ แต่ถ้าใจมีความหวาดภาวะมีความกลัวความกังวล น, นี้จะหาความสุขไม่ได้เลยถึงแม้จะมีอะไรมากมายกายกองสิ่งต่ตางๆที่มีเหล่านั้นจะไม่ได้ช่วยทำให้ใจนั้นมีความสุขเลยเพราะพระพุทธเจ้าจึงทรงสอนให้พวกเราคิดดีคิดดีก็คือ คิดด้วยความเมตตาคิดด้วยความกรุณาคิดด้วยความมุดิตาและคิดด้วยความอุเบกขานี่คือความคิดที่ดีที่จะทำให้ใจของเราเป็นสวนเป็นพระนิพพานขึ้นมาอยู่ที่ความคิดดีนี่เองดังนั้นเราจึงควรที่จะฝึกคิดดีคิดเมตตากรุณา มูตาอุเบกขาเมตตาก็คือความปรารถนาดีต่อผู้อื่นปรารถนาดีคืออยากจะให้เขามีความสุขไม่ว่าจะเป็นใครก็ตามเป็นคนที่เรารักหรือคนที่เราเกลียดเราต้องมีความเมตตาให้กับเขาเพราะประโยชน์จะเกิดกับเราการให้เมตตากับคนที่เราเกลียดนี้ เราได้รับประโยชน์ดีกว่าให้ความโกรธความอาฆาตพยาบาทเพราะจะทำให้เกิดเป็นไฟรุกขึ้นมาเผาใจเราเองแต่ถ้าเราให้ความเมตตาให้ความปรารถนาดีต่อคนที่เราอาฆาตพยาบาทความอาฆาตพยาบาทความโกรธก็จะหายไปความเย็นสบายใจก็จะกลับคืนมา ดังนั้นเราจึงไม่ควรที่จะไปเลือกให้ความเมตตาพระพุทธเจ้าทรงสอนให้แผ่เมตตาให้กับสัตว์โลกทุกๆตัวทุกๆคนสัพเพสัตตาสัตว์ทั้งหลายทั้งปวงคาว่าสัตตานี้หมายถึงไม่ได้หมายถึงสัตว์เดรัจฉานแต่หมายถึงดวงวิญญาณหรือผู้ที่ยังเวียนว่ายตายเกิด อยู่ในใจพบเรียกว่าเป็นสัตว์โลกนะก็คือพวกเราพวกเทพพวกพรหมพวกเปรตพวกเดรัจฉานเหล่านี้เรียกว่าเป็นสัตว์โลกสัตนวะ์ทั้งหลายทั้งปวงอเวราโหตุเราอย่าไปมีเวรจองเวรจองกรรมกับสัตว์ทั้งหลายกับพวกกับคนทั้งหลายนะ ไม่ว่าจะเป็นกายหยาบหรือกายทิพย์กายหยาบก็มนุษย์ที่เราเห็นหรือพวกสัตว์เดรัจฉานทั้งหลายกายทิพย์ก็คือพวกเทพพวกพรหมพวกเปรตพวกนรกนี่เป็นกายทิพย์ขอให้เราอย่าไม่มีเวรกับไขรเพราะการมีเวรนี้จะสร้างความสร้างนรกขึ้นมาภายในใจของเรา เวลาเราจองเวรจองกรรมใจของเราจะอยู่ไม่เป็นสุขจะคิดแต่ทำร้ายผู้อื่นจะคิดแต่สร้างความทุกข์สร้างความเดือดร้อนให้แก่ผู้อื่นใจก็เลยไม่ไม่เป็นสวรรค์แต่พอเราแผ่เมตตาให้กับเขาได้ใจของเราก็จะกลายเป็นสวรรค์ขึ้นมาดังนั้นขอให้เราคิดเสมอว่า เวลาที่เราแผ่เมตตาไม่จองเวรจองกรรมนี้เป็นการสร้างสวรรค์ให้กับตัวเราเอาเวลาหุนตุนี่คือวิธีสร้างสวรรค์วิธีหนึ่งอัปยาปัชชาหนุนตุนี่ก็เป็นอีกวิธีหนึ่งคือไม่ให้เบียดเบียนผู้อื่นคำว่าเบียดเบียนก็คือไม่ทำร้ายผู้อื่นนั่นเองไม่ฆ่าสัตว์ตัดชีวิตไม่ลักทรั ไม่ประพฤติผิดประเวณีไม่พูดปดมดเท็จไม่เสพสุรายามเมาเพราะการกระทำเหล่านี้เป็นการเบียดเบียนผู้อื่นสร้างความทุกข์สร้างความเดือดร้อนให้แก่ผู้อื่นเมื่อเราสร้างความทุกข์ให้แก่ผู้อื่นแล้วความทุกข์นั้นก็จะกลับมาหาเราเช่นนยางที่ได้แสดงไว้เวลาที่เราไปฆ่าผู้อื่น เราก็ต้องรุ่มร้อนจิตใจขึ้นมาหวาดกลัวหวาดระแวงไม่สามารถมีความสุขได้แต่ถ้าเราไม่เบียดเบียนผู้อื่นถึงแม้ว่าผู้อื่นเขาจะเบียดเบียนเราเราก็ให้อภัยเขาไปเพราะเรารู้ว่าการโต้ตอบนี้เป็นการสร้างนรกขึ้นมาในใจเราแต่การให้อภัยนี้เป็นการสร้าง สวรรค์ขึ้นมาในใจเราดังที่มีสุภาษิต ท, ที่ตัดไว้ว่าแพ้เป็นพระชนะเป็นมารนะใครเขาทำร้ายเราเราไม่ถือโทษโกดขืนเขาเราให้อาภาัยเขาเราเป็นพระถ้าเราไปโต้ตอบไปทำร้ายเขาเราก็จะเป็นมารนะใจของเราก็จะเป็นนรกขึ้นมา ดังนั้นขอให้เราหมัน่นเจริญเมตตาอยู่เรื่อยๆโดยเฉพาะเวลาที่เราพบปะกับผู้อื่นไม่ใช่เวลาที่เราอยู่ในห้องพระสวดมนต์แล้วก็แผ่เมตตานั่นเป็นการทําการบ้านเป็นเหมือนกับการซ้อมเอาไว้ก่อนเป็นการเตือนสติแต่เวลาที่เราจะต้องแผ่จริงๆนี้ ต้องในขณะที่เราพบปะกับผู้คนต่างๆอยู่ในเหตุการณ์ต่างๆนั่นเป็นการเข้าห้องสอบเราจะรู้ว่าเราสอบผ่านหรือไม่ก็ต้องเข้าห้องสอบเวลาเราทำการบ้านนี้เรายังไม่รู้ว่าเราจะสอบผ่านหรือเปล่าแต่เราต้องหมั่นทำการบ้านอยู่เรื่อยๆทุกเช้าทุกเย็นไหว้พระสวดมนต์แล้วก็แผ่เมตตา จเจริญพรมวิหารสีเมตตากรุณามมดิตาอุเบกขาเพื่อที่เราจะได้ไม่ลืมพอเราออกจากบ้านหรือออกจากห้องพระแล้วไปเจอคนนั้นคนนี้เข้าเราก็ต้องแผ่ทันทีต้องสัพเพสัตตาทันทีไม่ว่าจะเป็นคนที่เรารักหรือเกลียดก็ตามเพราะเราไม่อยากจะสร้างนารกขึ้นมาภายในใจของเรานี้เอง พวกเรานี่ทุกวันสร้างนารกกันโดยไม่รู้สึกตัวเวลาเจอใครเห็นอะไรไม่ชอบใจก็อารมณ์ไม่ดีแล้วอารมณ์ไม่ดีนั่นก็เป็นนรกแล้วนรกนี้มันก็มีหลายระดับเหมือนกับพัดลมเหมือนกับ เ, เตาแกนเวลาเราเปิดเตามันก็มีหลายระดับร้อนน้อยก็ได้ร้อนปานกลางก็ได้ร้อนมากก็ได้ฉันใดนรกมันก็มีหลายระดับ นรกที่ร้อนแบบเบาๆก็มีร้อนแบบปานกลางก็มีร้อนบาดเต็มที่ก็มีขึ้นอยู่ว่าใจของเรานั้นมีความโกรธเกลียดอาฆาตพยาบาทมากน้อยเพียงไรเท่านั้นถ้ามีมากก็จะเป็นนรกมากถ้ามีน้อยก็เป็นนรกน้อยถ้าไม่มีเลยก็เป็นสวรรค์ขึ้นมาถ้าเราแผ่เมตตาให้เขาได้ แทนที่จะไปเกลียดเขากับมีความปรารถนาดีอยากจะให้เขามีความสุขอย่างนี้ใจของเราก็จะกลายเป็นสวรรค์ขึ้นมาทันทีนี่แหละคือสวรรค์และนรกที่พระพุทธเจ้าทรงตรัสสอนไม่ใช่อย่างที่พวกเราได้ยินได้ฟังจากคนที่เขาหูหนวกตาบอดที่ถูกสอนกันมาแบบผิดๆจนทำให้ คนสมัยปัจจุบนันนี้ตำหนิว่าพวกเราเป็นพวกงมงายโง่เง่ า, งาเขาส่งจรวดขึ้นไปบนท้องฟ้าไม่เห็นมีสวรรค์บนนั้นเลยเขาเจาะลงไปใต้ทะเลก็ไม่เห็นมีนรกเลยพวกเรายังมาโง่เง่ า, งามาเชื่อกับเรื่องนรกเรื่องสวรรค์อยู่เพราะเราไม่เข้าใจถึงนรกและสวรรค์ที่แท้จริงนั่นเองว่าอยู่ตรงไหน ตอนนี้เรารู้แล้วทีนี้ใครมาถามเรื่องนรกเรื่องสวรรค์เราสามารถตอบให้เขาได้อย่างเต็มที่เลยและเขาจะไม่กล้าปฏิเสธเลยว่าไม่ใช่เป็นความจริงว่าเป็นเรื่องงมงายมันเป็นเรื่องจริงเพราะเขาสามารถพิสูจน์ได้กับตัวเขาเองเลยนี่คือคุณสมบัติของพระธรรมคําสอนของพระพุทธเจ้าที่เรียกว่าสันทิโกผู้ปฏิบัติ จะสามารถพิสูจน์ได้ด้วยตนเองพระพุทธเจ้าไม่ได้สอนให้เราเชื่ออย่างเดียวเพราะการเชื่ออย่างเดียวนี้ไม่มีกำลังพอเหมือนกับการได้สัมผัสเลยเหมือนกับหมอบอกว่ายานี้รับประทานแล้วจะหายจากโรคแต่ถ้าเราไม่รับประทานยาเราจะไม่รู้ว่ายานี้จะรักษาโรคให้หายได้หรือเปล่าแต่พอเรารับประทานยาเข้าไปแล้วโรคหาย ทีนี้หมอไม่ต้องบอกเราละเราจะเป็นคนไปบอกคนอื่นเองว่านี่แหละยาวิเศษเวลาเป็นโรคนี้แล้วกินยานี้แล้วรับรองหายอย่างแน่นอนฉันใดพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าก็เป็นเช่นนั้นสามารถที่จะเยียวยารักษาความทุกข์รักษานรกให้มันหายไปจากใจของเราได้สร้างสวรรค์ขึ้นมาในใจของเรา สร้างพระนิพพานขึ้นมาภายในใจของเราได้ในขณะนี้เลยในปัจจุบันนี้เลยเพราะในสมัยพระพุทธการเวลาที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงพระธรรมเทศนาแต่ละครั้งปรากฏว่ามีผู้บรรลุมังผลนิพพานขึ้นมาการเป็นจำนวนมากไม่ต้องรอให้ตายไปไม่ต้องรอให้บําเพนบุญบา ร, รมีให้เหนื่อยยากเพราะเราเอาศัยบุญบา ร, รมี ของพระพุทธเจ้าที่ได้ทรงบาเพ็ญมาแล้วนี้เอามาให้เราเลยถ้าเป็นอาหารก็เราไม่ต้องไปเสียเวลาไปซื้อกับข้าวมาทำเองพระพุทธเจ้าเตรียมอาหารไว้แล้วเตรียมป้อนใส่ปากเราแล้วขอให้เราเคี้ยวและกลืนเข้าไปเท่านั้นเองขอให้เราฟังแล้วพิจารณาตามเราก็จะบรรลุธรรมขึ้นมาได้เลยเช่นวันนี้รับรองได้ว่า เรื่องนรกเรื่องสวรรค์นี้เราหายสงสัยได้อย่างแน่นอนเพราะเรารู้แล้วว่านารกและสวรรค์นี้อยู่ที่ไหนอยู่ในใจของเราใจที่ไม่ตายนี่แหละหลังจากที่ร่างกายนี้ตายไปแล้วใจที่ยังเป็นนรกมันก็จะเป็นนรกต่อไปใจที่เป็นสวรรค์ก็จะเป็นสวรรค์ต่อไปจนกว่าบุญหรือบากนั้นมันจะหมดไป ถึงจะได้กลับมาเป็นมนุษย์ใหม่แต่ถ้าใจเป็นพระนิพพานเป็นสวรรค์ชั้นสูงสุดเป็นสวรรค์ที่ไม่ถือไม่เสือ่อมใจนั้นก็จะเป็นนิพพานเป็นสวรรค์ไปตลอดไม่ต้องกลับมาเกิดเป็นมนุษย์อีกต่อไปนี่คือเรื่องของใจของพวกเราเรื่องของนรกเรื่องของสวรรค์เรื่องของภพชาติต่ตางๆเกิดจากการกระทาของเราทำนั้น ถ้าคิดดีพูดดีทำดีมีเมตตากรุณามุฎิตาอุเบกขาใจของเราก็จะเป็นสวรรค์ชั้นต่างๆขึ้นไปตามลําดับถ้าเราไม่มีความเมตตากรุณามุฎิตาอุเบกขาใจของเราก็จะเป็นนรกชั้นต่างๆไปตั้งแต่ชั้นเดรัจฉานไปเป็นเดรัจฉานเป็นเปรตเป็นนรกนี่คือไฟนรกที่จะเผาผลาญ ใจของสัตว์โลกเพราะขาดความเมตตาขาดความกรุณาขาดมุทิตาและขาดอุเบกขาเราจึงต้องพยายามสร้างเมตตาด้วยความมีจิตที่ให้อภัยไม่จองเวรไม่เบียดเบียนมีความปรารถนาดีอยากจะให้ผู้อื่นมีความสุขอย่างที่เราส่งสอรกสอรสกันในวันขึ้นปีใหม่ เราอยากจะให้ผู้อื่นมีความสุขขอให้เราส่งสอคสอให้กันทุกวันเจอกันที่ไหนก็ส่งสอคสอให้กันแล้วใจของเราจะมีความสุขส่วนเมตตาส่วนกรุณาก็คือความปรารถนาที่อยากจะให้ผู้อื่นพ้นทุกข์ใครเาเห็นใครก็เดือดร้อนมีความทุกข์ใจเราช่วยได้ก็ควรจะช่วยเหลือกันแบ่งปันกันไป เขาขาดอาหารก็แบ่งอาหารให้รับประทานขาดยาขาดเสื้อผ้าขาดที่อยู่อาศัยก็แบ่งให้กันอย่างนี้ก็จะทำให้ใจของเราเป็นสวรรค์ขึ้นมาเป็นเทพขึ้นมาแล้วก็มุติตาก็คือเวลาที่ผู้อื่นเขาได้รับความสุขได้รับความเจริญเราก็ต้อง <c oughs> มีความยินดีร่วมไปกับเขา เช่นเขาได้เลื่อนตำแหน่งได้มีความสุขเราอย่าไปอิจฉาริษยาอันนี้จะทําให้ใจเราเป็นนรกขึ้นมาเวลาเราอิจฉาริษยาเห็นผู้อื่นเขาได้ดิบได้ดีได้ความสุขเรากลับไปอิจฉาริษยาหรือไม่พอใจโกรธแค้นโกรธเคืองอาจจะเป็นเพราะว่าเขาได้ในสิ่งที่เราอยากจะได้เราก็เลยโกรธเขาขึ้นมา ถ้าเราโกรธเราต้องรีบดับความโกรธนี้เพราะใจของเรากำลังเป็นนรกแต่ถ้าเราแสดงความยินดีรู้สึกดีใจไปกับเขาใจของเราก็จะเป็นสวรรค์ขึ้นมาดังนั้นต้องระวังเรื่องมุดิตาให้มากเพราะใจของพวกเรานี้ส่วนใหญ่มักจะเห็นแก่ตัวมากกว่าเห็นแก่ผู้อื่นเห็นใครได้ดีได้ดีแล้วจะไม่ค่อยพอใจเท่าไหร่ จะเกิดความอิจฉาริษยาทิฏอาฆาตพยาบาทต่างๆนาน า, นาอย่างเช่นพระเทวทัตเป็นต้นเป็นสาวกของพระพุทธเจ้าแต่อิจฉาริษยาในความเป็นพระศาสดาของพระองค์พอเห็นว่าพระองค์นั้นมีอายุมากก็เลยหาอุบายที่จะกำจัดพระพุทธเจ้าด้วยการไปขอรับตำแหน่งแทน ขอเป็นพระพุทธเจ้าแทนขอเป็นศาสดาแทนพระพุทธเจ้าเพราะพระพุทธเจ้านี้มีอายุมากแล้วทํางานไม่ได้เต็มที่พอพระพุทธเจ้าปฏิเสธก็เกิดความโกรธความอาฆาตพยาบาทจ้างคนไปฆ่าพระพุทธเจ้าปล่อยช้างให้มาเหยียบพระพุทธเจ้ากลิ้งหินลงมาเพื่อจะให้ทับพระพุทธเจ้า แต่บารมีของพระพุทธเจ้านั้นปกป้องคุ้มครองไม่ทำให้เป็นภัยอันตรายแต่พระ อ, องค์เลยแต่โทษของพระเทวทัศน์ก็คือตกนรกทั้งเป็นมีความทุกข์รใจจนทนไม่ไหวต้องไปกาขขาราบขอกมรลาโทษต่อพระพุทธเจ้าแล้วก็ต้องถูกธรณีสูตรตายไปตายไปก็ต้องไปใช้ กรรมในนรกแต่ก็ยังดีที่ว่าได้บวชได้ปฏิบัติทรมาหลังจากที่หมดกรรมแล้วก็จะได้ตัสรู้เป็นพระประเจกะพระพุทธเจ้าต่อไปนี่แหละคือความอิดชาริษยามันเป็นไฟที่จะทำร้ายเราเพราะฉะนั้นเราต้องหมั่นเจริญมุดิตา เพราะว่าอย่างไรอย่างไรเขาก็ได้แล้วเขาก็เป็นแล้วเขาก็มีความสุขแล้วเขาก็ได้ได้ตำแหน่งแล้วเราทำไมจะไปอฉาลิษยาทำไมให้ตัวเราต้องไปเดือดร้อนด้วยเหมือนกับเห็นคนอื่นได้ดีเราก็เอาค้อนมาทุบศรีรษะเราโกรธแค้นโกรธเคืองไม่เกิดประโยชน์อะไรควรจะดีใจไปกับเขาดีกว่า <c oughs> แล้วจะได้เป็นมิตรกันไม่เป็นศัตรูกัน เพราะเราอยู่ในโลกนี้เราอาจจะต้องพึ่งพาอาศัยกันเขาได้ตำแหน่งสูงกว่าเราถ้าเรามีความคิดที่ดีกับเขาเขาก็อาจจะอยากจะช่วยเหลือเราถ้าเขามีโอกาสที่จะเลื่อนตำแหน่งให้กับเราได้เขาก็จะทาให้กับเราแทนที่เขาจะมากีดกันเราเนื่องจากเราไปโกรธไปเกลียดเขานี่คือการคิดดี คือให้มีมุนีตาจิตแล้วใจของเราจะเป็นสวรรค์ส่วนข้อที่สีก็คือให้มีใจเป็นอุเบกขาความอุเบกขาก็คือทำใจให้เป็นกลางไม่ดีใจไม่เสียใจเพราะถ้าเราดีใจกับเรื่องใดพอเรื่องนั้นมันเปลี่ยนไปความดีใจของเราก็หายไปความเสียใจก็จะมาแทนที่ได้ เช่นเวลาเราได้อะไรมาเราดีใจพอเราเสียไปเราก็จะเสียใจเช่นเราได้ตำแหน่งนี้มาเราก็ดีอกดีใจแล้วเดี๋ยวพอเขา <c oughs> เปลี่ยนตำแหน่งย้ายตำแหน่งใหม่ <c oughs> เราก็จะเสียใจได้แต่ถ้าเราทำใจเฉยเฉยคิดว่าไม่มีอะไรเที่ยงแท้แน่นอนอย่าไปดีใจกับสิ่งที่เราได้มา เพราะมันอาจจะเปลี่ยนไปหรืออาจจะจากเราไปได้เราทำใจเฉยๆเวลาเขาจากเราไปหรือเปลี่ยนไปเราจะไม่เสียใจดังนั้นขอให้เราหัดทําใจให้เป็นกลางใช้ปัญญาพิจารณาว่าไม่มีอะไรเที่ยงแท้แน่นอนเราไม่สามารถไปควบคุมบังคับสิ่งต่างๆได้เช่นเวลาเขาดีกับเราพูดดีกับเรา เราก็อย่าไปดีใจเพราะเดี๋ยวเวลาเขาอารมณ์ไม่ดีเขาก็ด่าเราได้พูดไม่ดีกับเราได้เราก็จะเสียใจแต่ถ้าเรารู้ทันว่าไอคนนี้มันก็เป็นอย่างนี้แหละอารมณ์ดีมันก็พูดดีอารมณ์ไม่ดีมันก็พูดไม่ดีเราไปควบคุมบังคับมันไม่ได้แต่เราควบคุมบังคับใจของเราได้คือทำใจของเราให้เป็นอุเบกขา อย่าไปดีใจอย่าไปเสียใจกับสิ่งต่างๆที่เราสัมผัสรับรู้ใจของเราก็จะไม่กลิ้งไปกลิ้งมาจากจากสวรรค์มาเป็นนรกจากนรกไปเป็นสวรรค์ใจของเราก็จะเป็นนิพพานนี่แหละคือนิพพานก็คือความเป็นสวรรค์ที่สูงสุดเป็นสวรรค์ที่ไม่กลิ้งไปกลิ้งมา สวรรค์ส่วนอย่างอื่นชั้นอื่นนี้ยังเสื่อมลงได้ยังตกนรกได้แต่สวรรค์ชั้นนิพพานนี้ไม่มีการตกนรกเพราะไม่ไม่เปลี่ยนแปลงใครจะทำอะไรก็อุเบกขาตลอดเวลาวางเฉยตลอดเวลาใครชมก็เฉยไม่ยินดีใครด่าก็ไม่ยินร้ายคิดว่าเป็นเรื่องของเขาไม่ใช่เรื่องของเรา เรื่องของเราก็คือต้องรักษาใจของเราให้เป็นอุเบกขาให้ได้เท่านั้นนี่แหละคือวิธีการคิดดีที่จะทําให้เรามีแต่สวรรค์อยู่ภายในใจไม่มีนรกอยู่ภายในใจของเราไปตลอดอนันตการจึงขอให้ท่านทั้งหลายพยายามหมั่นเจริญพรมวิหารสีคือเมตตากรุณามุนิตาและอุเบกขานี้ ไว้ตลอดเวลาโดยเฉพาะเวลาที่เราเกี่ยวข้องกับผู้อื่นเป็นเวลาที่เราต้องมีสติให้มากต้องเตือนใจเสมอว่าต้องแผ่เมตตากรุณามุนิตาและอุเบกขาแล้วใจของเราจะเป็นสวรรค์ไปตลอดการสแสดงก็เห็นว่าสมควรแก่เวลาจึงขอยุติไว้เพียงเท่านี้